ปวัตตหน้ากลัวถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาอะไรน่ากลัวทั้งนิมิตและปะวัตตา น, นั้นหน่ากลัวซึ่งก็อยู่ในตรงนี้ใช่ไหมปวัตตังความเป็นไปนิมิตก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายของอะไรของขันห้าความเป็นไปของอะไรก็คือขันห้าในภูมิสามที่เป็นไปพันผู้ที่มานาสิการหรือทมปริญญามากจะเห็นความหน่ากลัวของธรรมะทั้งสิบห้าข้อเหล่านี้นี่แหละ ทั้งความเกิดขึ้นเป็นไปเครื่องหมายกรรมที่ปรุงแต่งปฏิสนธิปฏิสนธิคือการสืบต่อจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งคติคติเนี่ยแปลว่าที่ไปของสารทั้งหลายนะมีนิรยะคติเป็นต้นคติตันนั้นหมายถึงคติห้านะคติคือหนึ่งนรกสองเบรฉานสามเปรตสี่มนุษย์ห้าเท ว, วดาเนี่ยนะเรียกว่าคติห้า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 คือความไม่เกิดขึ้นวัตตนนี้เป็นความเกิดขึ้นใช่ไหมพระนิพานนั้นไม่เกิดขึ้นอับอับวัตตน์นี้เป็นไปพระนิพานนี้ไม่เป็นไปฉั้นใครที่ได้ยินคําว่าจักขูจกัจกขูสมุทัยจกักขูนิโรจกักขูนิโรธคามินีปฏิปทาจักขู่ก็คือคือจกักขู่พร้อมทั้งสามภาระเป็นต้นนั่นนะจักขู่สมุทัยก็คือตัณหาในการก่อนหรือตัณหาในพบก่อนที่ทําให้จักขู่เกิดเรียกว่า จักขู่สมุทัยอัปปวะตตาความไม่เป็นไปแห่งจักขู่และจักขู่สมุทัยอันนั้นแหละเป็นเป็นอะไรเป็นนิโรธเป็นนิโรธนิโรธข้อปฏิบัติที่ไปกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำอัปปวัตะคือนิโรธให้แจ้งอันนั้นแหละเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าทุ <c oughs> ากขานิโรธคามิจักขุนิโรธคา ม, มินีปฏิปทาทันพวกบทเหล่านี้เนี่ยก็สามารถพิจารณา ตรงกันข้ามแล้วนะว่าวตะนั้นมีลักษณะเกิดขึ้นวิวตะไม่เกิดขึ้นวตะนี้เป็นไปวิวตะนี้ไม่เป็นไปวัตะมีเครื่องหมายคือขันห้าวิวัตะไม่มีเครื่องหมายคือขันท่าวตะนําไปสู่พบใหม่วิวตะไม่นําไปสู่พบใหมว่วตะนี้เป็นการเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิสนธิสืบต่อ ห้าวิวัตะไม่ปฏิสนธิไม่ต้องสืบต่อวัตตะเป็นไปในคติห้าวิวัตะไม่ต้องไปในคติห้าวัตตะนั้นเป็นความเกิดขึ้นในภพวิวัตะไม่บังเกิดขึ้นในภพเนี่ยนะวัตตะเป็นชาติวิวัตะไม่เกิดไม่มีชาติไม่เกิดวัตตะเป็นชราวิวัตะไม่ชราวัตตะความป่วยไขวิวัตตะไม่ป่วยไข้ อวัฏฏะนี้มีความตายวิวัฏะอมะตะคือไม่ตายอมรณะก็อมะตะอันเดียวกันนะนะอมอนนะนะอมอนแปลว่าไม่ตายวตะนี้เป็นมีความโศกนะวิวัฏะไม่โศกวตะมีความครัมครวนรำพันวิวัฏะไม่ครัมครวนรำพันวัฏฏะมีความคับแค้นใจวิวัฏะไม่คับแค้นใจโอ้ดีขนาดไหนนะใครไม่ปรารถนานิพพานนี่ก็เคล้ามากแล้วนะ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 ทีนี้ถ้าในาชุดที่สามเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเกิดการเทียบเทียงระหว่างวัตตะกับวิวัตตะได้ชัดขึ้นทีนี้ลักษณะของวัตตะเนี่ยในในยะที่สองเนี่ยนะพูดถึงว่าลักษณะของวัตตะเนี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยความเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความเป็นไปก็เป็นทุกข์เครื่องหมายก็เป็นทุกข์ตั้มที่ประมวลมาก็เป็นทุกข์ความสืบต่อก็เป็นทุกข์กความเป็นไปในคติห้าก็เป็นทุกข์ความบังเกิดในภพก็เป็นทุกข์ ความอุบัติในพพก็เป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยก็ก็ทุกข์เ่ยนะความตายก็ยิ่งทุกข์เลยนะเขาบอกว่าเอ๊ะขณะตายทุกข์ด้วยหรือขณะตายไม่ทุกข์หรอกมันทุกข์ก่อนจะตายก็ดูคนที่รู้ว่าตัวเองจะตายดูสิจะทุกข์หรือเปล่านะแล้วญาติของคนที่จะตายล่ะก็ทุกข์อีกแล้นะความโศกก็เป็นทุกข์ความบ่นก็เป็นทุกข์ความลําบากใจความขับแค้งใจก็เป็น พุกถ้าตรงกันข้ามก็เป็นสุขสิถ้าไม่เกิดก็เป็นสุขไม่ต้องเป็นตายก็เป็นสุขไม่มีเครื่องหมายคือขันท่าก็เป็นสุขกรรมที่ไม่นําไปสู่ภพใหม่ก็เป็นสุขไม่มีปฏิสนธิในคันเดรฉานเป็นต้นก็เป็นสุขไม่ไปในคติห้าก็เป็นสุขในบังเกิดในภพสามก็เป็นสุขไม่อุบัติในภพสามก็เป็นสุขไม่เกิดก็เป็นสุขไม่แก่ก็เป็นสุขไม่ตายก็เป็นสุขไม่ป่วยก็เป็นสุข ไม่เศร้าโศกก็เป็นสุขไม่รำพันก็เป็นสุขไม่คับแค้นใจก็เป็นสุขนั้นนิพานนี่คือความสุขหรือไม่ต้องการความสุขกัเนเลยก็ต้องการอยู่แล้วเนาะปัญหาว่าไม่ค่อยรู้จักความสุขที่แท้จริงก็เลยปรารถนาทุกข์อยู่ร่ําไปฮั้นคนที่รู้จักความสุขที่แท้จริงเขาจึงปรารถนาวิวัตต์ที่เป็นแดนกเกษมจากโยคะเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกเครื่องมัดโดยประการทั้งปวงเพื่อเข้าสุขที่แทเข้าถึงสุขที่แท้จริง สังเกตเห็นชาตนั้นซ้ายมือเป็นทุกข์ขวามือเป็นสุขเกิดการเทียบเคียงเกิดการเทียบเคียงอย่างการเห็นเนี่ยเป็นทุกข์หรือถ้าไม่เห็นเนี่ยสุขจริงไหมมาคิดดูนะลองทวานหูอีกถ้าได้ยินเนี่ยทุกข์จริงหรือถ้าไม่ได้ยินเนี่สุขจริงหรือทวานจมูกอีกถ้ามีจมูกรู้กลิ่นทุกข์หรือถ้าไม่มีเป็นสุขหรือช่างดูนะมีลิ้น กับไม่มีลิ้นอนไหนดีกักนมีกายกับไม่มีไหนดีกว่ากันมีใจกับไม่มีใจไหนดีกว่ากันนะแต่พวกยินดีในทุกอยู่นะพวกชอบทุกข์ทั้งหลายก็บอกโอ้ยไม่มีจะไปดีอะไรนะก็นี่ยก็ถูกทุกมันสอนเองแหละไม่ต้องห่วงกันนะแต่ถ้าปัญหาว่าไม่ยอม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 ความเป็นไปแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นภัยเครื่องหมายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นเป็นภัยกรรมที่ประมวลทําให้มีตาหูจมูกลิ้นก็เป็นภัยคติการเกิดขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายใจในคติห้าก็เป็นภัยความบังเกิดก็เป็นภัยความอุบัติของเป็นภัยหรือว่าแม้กระทั่งความเกิดแก่เจ็บตายของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะพวกนี้เป็นต้นเหตุแห่งโศกกะปริเทวทุกขโทมานัสอุปายาตพวกนี้ก็เป็น ภัยแปลว่าภัยพยะพยาโตแปลว่าภัยภัยภัยแปลว่าอะไรภัยน่ากลัวนี่น้น่ากลัวนแต่ยังไม่ได้กลัว <c oughs> รู้สึกว่าน่ากลัวเฉยแต่ยังไม่กลัวใช่ไหมเอาเนี่ยตอนลืมตาเห็นนา่าตาถ้าเราเห็น เ, นเราดึกเออมันน่ากลัวนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กลัวเนี่ยนะได้ยินเสียงอุ้ยน่ากลัวมากแต่ตอนนี้ยังอ่าเนี่ยน ก็ไม่แน่นั้นหลายคนบอกกลัวแล้วจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยถอ้กลัวจริงๆเธอถ้ากลัวจริงๆก็จะเมื่อเบอร์นายย่อมคลายกำนัดเพราะพยาญานอันใดพยยานถ้าบวกอุปทานะเข้าไปตั้งไว้เข้าไปตั้งไว้โดยความเป็นของหน้ากลัวพยะบวกอุปทานะแปลว่าพยตูปทานะก็ไปตั้งไว้โดยความเป็นของหน่ากลัวพยตูปทานยานอันใดอันนั้นเป็นอาทีนว่ายานั้นนิพพายญาณ อ่าพรอาทีนะว่ายานอันใดอันนั้นเป็นนิพพายานก็อันเดียวกันนั่นแหละอันคำ ว, ว่าหน้ากลัวกับคําว่าเห็นโทษกับคําว่าเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายก็สิ่งเดียวกันก็ให้มันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้แล้วเนาะต่อไปมามาดูว่าถ้าไม่เกิดเนี่ยนะตรงกันข้ามถ้าไม่เกิดเนี่ยปลอดภัยจริงนะอะนะก็เรียกว่าพยังกับเขมังเลยนะเกษมอ่านะอโซกังวีรชังเขมังเนี่ยนะในในมงคลใช่ไหมกเกษมอ่ะนะกเกษมก็คือ ปลอดภัยเกษมแปลว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยปลอดถ้าไม่เกิดเนี่ยปลอดภัยแน่ไม่เป็นไตในวัตฏะเนี่ยนะถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดก็ปลอดภัยไม่เป็นไตก็ปลอดภัยไม่มีเครื่องหมายทั้งสิ่งเหล่านี้ก็ปลอดภัยกรรมที่ไม่นํามาให้มีแบบนี้ก็ปลอดภัยไม่ต้องปฏิสนธิกก็ปลอดภัยแล้วก็บอกอุ้ยก็อดเที่ยวสิอย่างเงี้ยเออไปเที่ยวในอบายสิอย่างเงี้ย จะลำบากแล้วแค่นี้โอ้ยไม่เที่ยวดีกว่าเนี่ยนะเขบอกว่าโอ้ยอดเที่ยวเลยว่บโพลวับอีกทีหนึ่งตั้งหลายคุมเลยนีนะทั้งนี้ก็โอ้ยไม่เกิดดีกว่าเนี่ยนะอำลาแล้วเลยบอกมืออำลาเลยนะเพราะฉะนั้นการไม่ปฏิสนธิในพบต่างๆพูดอีกในหนึ่งก็บอกว่าการไม่เสนอตัวในพบเนี่ยมันปลอดภัยที่สุดแล้วอนาการไม่ไปปรากฏตัวตามคติต่างๆเนี่ยปลอดภัยที่สุดฉะนั้นการไม่ ไม่เกิดในคติห้าไม่บังเกิดไม่อุบัติไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายไม่โวกไม่รำพันไม่ขับแค้นใจนี่เป็นความปลอดภัยอย่างแท้จริงก็ดูนะว่าวัตตะกวิวัตะอันไหนเป็นภัยอันไหนปลอดภัยนั้นผู้ที่พิจารณาระดับสูงนั้นจิตจึงน้อมออกเพราะการที่ทำไมเขาจึงน้อมออกเพราะเขาเห็นว่าเป็นความปลอดภัยเนี่ยนะดีจริง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 ถามว่าเมื่อความดีหมดไปความเลวร้ายก็ปรากฏวัตตะทั้งหลายก็ลักษณะนั้นเมื่อสิ่งที่เรียกว่าท้าอัศธะในสิ่งนั้นลดลงโทษก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ใช่หรือถ้าสิ่งนั้นเราเราเร า, เราเลิกปรารถนาเนี่ยนะสิ่งนั้นเป็นกองโทษไม่ใช่หรือเ็าบอกว่าอย่างอาหารตอนที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะเราบอกว่ามันน่าปรารถนาอรอร่อยมาก ก็กินอิ่น้ำสำราญทับพิษก็กำเริบขึ้นกาเริบขึ้นกาเริบขึ้นทอดปรากฏแล้วใช่ไหมแล้วความน่าอ ร, อร่อยอร่อยที่ที่มีเนี่ยหายไปไหนหมดทอดทั้งมวลก็ได้ปรากฏแล้วเมื่อทษปรากฏแล้วเนี่ยนะถามว่าถ้าออกเนี่ยดีไหมเนียก็ออกกากทุกโทษเหล่านั้นจึงเป็นความดีพันผู้ที่ทพิจารณาระดับสูงนะเขาจึงมีการชั่ง เพราะเขาปรารถนาความสุขสวัสดีโดยประการทั้งปวงเขาไม่ต้องการอะไรนะแก้ปัญหาไปแค่กรบเกลื่อนไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการจะดับแบบขาวรต้องการแก้ปัญหาเอางี้ดีกว่าว่าค่อยๆทยอยส่งเจ้าหนี้ทุกวันไปเที่ยวขูดแกะกระปุกอมสินมาใช้หนี้ทีละวันทีละบาทสองบาทไปเรื่อยๆเขามาทวงมาคมคูดกลับบอกว่าปลดให้มันหมดทีเดียวเลยนะดีกว่ากัน ก็ปลอดให้หมดทีเดียวดีกว่าถ้ายังมีทุกข์อยู่ก็อย่างนี้แหละก็ค่อยๆจ่ายไปเรื่อยเนี่ยนงมันจ่ายด้วยอะไรนะพอตาเนี่ยอะไรมาจ่ายเอาทรัพย์ที่มีอยู่มาจ่ายก่อนนะที่หลังมันจ่ายด้วยอะไรความแก่ก็มาเรียกทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็จ่ายด้วยน้ําตาจ่ายด้วยเนื้อจ่ายด้วยเลือดจ่ายด้วยชีวิตเออจ่ายด้วยชีวิตก็ไม่แพงนะถ้าเที่ยวก็ต้องไปสู่อบายนั้นมากกว่าเพาจ่ายด้วยการไปชดใช้กรรมใน อาบายปัญหาว่าเอ๊ะไปอยู่ในอบายเนี่ยนะใช้กรรมอย่างเดียวหรือใช่ใช่ไหมไปอยู่ใช้กรรมอย่างเดียวไหม